ในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างเนี่ยทุกมันเกิดแล้วก็ทุกมันดับพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าไม่มีสองเรื่องเนี่ยพระองค์ไม่จพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาเกิดก็ได้การดับทุกการดูทุกมันมันมีทุกสัตว์ทุกตัวทุก ต, กตนแหละ แต่ทีนี่ว่าถ้าว่าคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ก็ยากที่จะรู้นะเพราะฉะนั้นเราถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษ ย, นย์ถ้าเรามารู้สองเรื่องนี้เรื่องที่พระพุทธเจ้าท้องการมาสอนคนะ่สองเรื่องนี้เท่านั้นคือเรื่องเกิดทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ถ้าไม่มีสองเรื่องนี้มนุษย์ เมื่อมาศึกษาสองเรื่องนี้นะมนุษย์ก็ไม่มีความหมายอะไรเกิดมาแต่ทีนี้เราการศึกษาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้มันไม่ใช่รู้เฉยๆทำได้ด้วยนะทุกข์มันเกิดจากอะไรทุกข์มันดับได้อย่างไรมันทาได้ด้วยแต่จะทำได้ระดับไหนนั่นอีกเรื่องนึง จะทำได้ 25% หรือ 50% 80% หรือ 100% <c oughs> อีเรื่องหนึง่งแต่ให้ให้ทาพระพุทธเจ้ากล้ท่านก็แบ่งเอาไว้อย่างนั้นพ่าดับทุกได้ 25% ขึ้นถือว่าเป็นพระสุดาบันดับทุกได้ 50% ขึ้นถือว่าเป็นพระสิกิตาคามีดับทุกได้75หรือ 80% ขึ้นถือว่าเป็นอนาคามี ดับทุกได้ร้อยเปเซ็นเป็นพระหันก็แบ่งระดับเอาไว้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกันทุกคนแต่ระดับอินทรีย์ความแก่อ่อนความแล้มคมทางสติปัญญาไม่เหมือนกันนะแต่เราก็พยายามเต็มความสามารถของเราเราจะได้ระดับไหนก็ก็ช่างมาันตามกําลังของเราไม่ใช่ว่าเรากําลังมีกําลังที่จะได้แค่ยีส่สห้าเราต้องการเอาร้อยหนึ่งในที่สุดนันไม่ได้เลยยี่บห้าก็ไม่ได้ร้อยก็ไม่ได้ เพราะไม่รู้จากกำลังของตัวเองอนนั้นในธรรมจักที่เราสวดเนี่ยมันมีสองเรื่องเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์และเรื่องที่มันทำทุกข์ให้ดับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอันบอกว่านักปฏิบัติไม่ควรเสพหรือไม่ควรคบทางสองทาง ที่จะรู้เรื่องนี้นะคือท่านใช้คาว่าทางสุดตรงทางสุดตรงทั้งสองสทางทางีหรือตุกตรงที่มันสบายเกินไปสุดตรงที่มันทุกข์เกินไปถ้าสบายเกินไปมันก็เรียกว่ากามตาตนามันสัมพันธ์กันถ้าสบายเกินไปก็เป็นเหตุให้ยึดให้ติด ในตันตัญหาเนี่ยสรุปแล้วมันจะมีแค่สองคือในภาษาอังกฤษท่านใช้คําว like, ่า like dislike แต่ว่าในบาลีมันมีสามเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราชอบเรารักเราติดอะไรเนี่ยมันพ่วงเอาภาวะตัญหาเข้าไปด้วยคือหมายความว่าถ้าเราสุขเราสบายเราก็อยากจะให้ภาวะอนี้อยู่ น, นานๆไอการที่อยากจะให้มันอยู่ น, นานๆนี่แหละเป็นภวะตัญหาด้วย เป็นกามาตัญหาด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเรานั่งเนี่ยเรานั่งบฏิบัติไปก็อยากจะให้มันนิ่งมันสงบไม่ปวดไม่เมื่อยพอเมื่อใดเราได้ภาวะนั้นก็อยากจะให้มันอยู่นานๆแต่มันเกิดมีอะไรรบกวนหรือมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดอย่างเนี้อันนี้เขาเรียกเป็นภาวะภาวะตัญหาคืออยากจะให้ทรงภาวะนั้นได้ไอ้นานๆก็เป็นตัญหาอยู่ หรือเราปฏิบัติแล้วเนี่ยยังยังไงก็ไม่ได้อารมณ์พลิกไส้พลิกหัาพลิกหน้าพลิกหลังทําเร็วก็แล้ ว, ล ว, ลวทําช้าก็แล้วมันก็ยังไม่เวทนาก็ยังไม่สงบเราก็ไม่ชอบนี่เป็นดิสไลค์เขาเราียกวิภาวะดัญหาไอภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะชอบแบบนี้แล้ว ร, รู้สึกว่า เบื่อนาย ท, ทอ้อท้อห่อหิวไม่อยากทําหรือไม่เอาอะไรมันเฉลยเท่าว่าอย่างนี้ก็เป็นภาวะตันหาเหมือนกันเพราะฉนั้นภาวะดันหาเนี่ยเป็นมันเข้าไปได้ทั้งการมัดันหาและเข้ากับทั้งวิภาวะดันหาแต่ละหลักมันก็คื อ, คอมีสองอาการมัดันหาเนี่ยสุดตรงไปทางสุขขันลิกายโยก วิภาวะอัตตาสุดตรงไปทางอัตตกิลมฐานโยกเห็นไหมมันสัมพันธ์กันทีนี้เราผู้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ความอยากได้ใครสุขมันก็มีอยู่เมื่อมันไม่ได้สุขไม่ได้สบายขึ้นมาไอความไม่ชอบไม่สนุกมันก็มีอยู่เราจะทิ้งมันได้อย่างไรฮะท่านบอกว่าให้ละ แต่ในเมื่อมันมันมีอย่างนี้เราจะละได้ไงความปวดมันก็ยังมีอยู่ความไม่ปวดมันก็มีอยู่ถ้าเราไม่ถ้าเราเวลาไม่ได้ปวดขึ้นมาเราไปพอใจมันก็ยังเป็นภาวะทันหะเวลามันปวดขึ้นมาเราไม่พอใจมันก็จะเป็นวิภาวะทันหะเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถึงจะถูกตรงนี้ท่านบอกว่าเราใช้มันเป็นพานะ อย่างเราจะเดินทางเนี่ยถ้าเราไม่มีภาชนะเดินทางไกลไม่มีภาชนะมันก็เดินไม่ถึงง่ายๆสมมติว่าเราใช้ม้าใช้เกวียนในสมัยก่อนเราจะทิ้งภาชนะไม่ได้ถ้าทิ้งภาวนะเราก็เดินทางไม่ถึงหรือหรืออาจจะตายกลางทางเพราะวัฏสงสารนี่มันยาวไกลมากไม่รู้มไปสู่ที่ไหนเนี่ยถ้าจะเดินทางโดยที่ไม่ใช้ภาชนะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นี่คือข้อเลือกของท่านนะว่าจงใช้ตัณหาเป็นพาหานะใช้มันเป็นรถใช้มันเป็นเรือแต่เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่าแบกรถแบกเรื อ, อไปอีกท่านเปรียบเสมือนแพและเรือที่เราจะข้ามน้ำเราจะข้ามโคล่าสงสารเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแล้วอะไรหละเป็นแพเป็นเรือของเรา นี่คือเรารู้ว่าในร่างกายก็ดีในจิตใจก็ดีมันต้องตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังน้าตาถ้ามันยังเป็นความอยากเราก็อาศัยตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มันเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาเนี่แหละเป็นเรือเป็นแพแต่ว่าต้องอาศัยอยู่บนหลังมันนะ ไม่ใช่ว่าเดินไปกับมันหรือให้มันขี่เรานะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันขี่เราอะ่ะเราแทนที่เราจะขี่มันเราแบกมัน ต, ตรงนี้แหละมันยากตรงนี้คือเวลาพอใจขึ้นมาสบายใจขึ้นมาแล้วเไปยึดติดเมื่อไรเราไปยึดติดกับมันเรามันขี่เราแล้วหรือไม่พอใจขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมามันก็ขี่เราอีก แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติวิปั ส, สนาอย่างถูกต้องมันจะพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเราไม่ปฏิเสธแต่เราอาศัยขี่หลังมันไปคือหมายก็พอใจฉันก็จะดูแก่ไม่พอใจฉันก็จะดูแก่นี่ ย, ย, ยตัวเนี้ยสําคัญไอการตัวดูนี่คือตัวเราที่ขี่หลังมัน แต่เมื่อใดเราหลงเข้าไปในอำนาจของมันเนี่ยมันก็ขี่เราผัดกันลุกผัดกันรับอยู่อย่างนี้ในแต่ละวันเมื่อวานใครโดนขี่บ้างก็จะรู้ตัวเองใช่ไหก็จะรู้ตัวเองเนี่ยนี่คือของจินที่เราพิสูจน์อยู่ทุกนาทีนะแต่เนื่องจากเราอาจจะไม่รู้สมมุติอาจจะไม่รู้มัหยัดมันเท่านั้นเองมันก็รู้สึกว่าเราเผลอไม่ค่อยระมัดระวังผัดกันลุกผัดกันรับอยู่างนั้น ดังนั้นเวลาเรานั่งไปนานๆเนี่ยใจหนึ่งมืว่าเปลี่ยนเถอะใจมึงที่มันมีวิปัสสนาเก็เปลี่ยนไปทำไมอ่มันทวงก็มันปวดเอาปวดก็ดูมันสิแต่ถ้าหาไอความคิดว่าปวดก็ดูมันสิมันมีกําลังกว่านะมันก็ดูไปได้เลยเดียแต่ถ้ากําลังมันอ่อนกว่าะเปลี่ยนก็เปลี่ยน มันก็จะเกิดการต่อรองและเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันเอามาพึ่เอามาพาดกินนะเขาบอกว่าเป็นสุดมันจะหาเหตุผลของมันนั่นแหละไอ้การที่จะมันอยากจะเปลี่ยนมันก็มีเหตุผลดังนั้นทั้งตัณหาและปัญญาเนี่ยมันมีเหตุผลแหลมคมพอๆกันเพราะมันตัวเดียวกันแต่มันคนละนายเท่านั้นเองาตัณหามันอวิชาเป็นนายแต่ปัญญามันมีวิชาเป็นนายตัวพาหานะเดียวกันนั่นแหละ แล้วแต่โจรจะขับหรือว่าพระจะขับเท่านั้นเองรถคันเดียวกันนั่นแหละอถ้าปัญญาแหลมคมเท่าไหร่กิเลสมันก็แหลมคมเท่านั้นแหล ะ, หลมมหละว่าแต่ว่าไอ้ภาหนะานั้นน่ะพระขับหรือพระเป็นนายหรือว่าโจรปินาย น, นี่ตรงนั้นนั้นนั้นเราจึงมาฝึกวิชาเนี่ยเหมือนพระเนี่ยมาสร้างพระฝึกวิชาขึ้นมาหลายอย่างเนี้ยเราควบคุมไม่อยู่ แต่มาก็ฝึกจังงอะไรนี้ฝึกแต่เอามันไม่ค่อยอยู่หรอกเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ในอานาจของมันมานานความเคยชินเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าลดอํานาจมันลงเรื่อยๆเราไม่ยอมแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราจะแยกไม่ออกสมมุติว่าเอาละระหว่างมันปวดนั่งปวด กับการที่จะเข้าไปเอาตัวปวดเนี่ยเป็นภา a n นะเราก็รู้ด้วยนะว่ามันเป็นภา a นะที่ดีหรือไม่ดีแล้วรู้ว่ารถมันเสียเราก็ยังจากดันขับไปเนี่ยเรามีหวังพังนะพังเรื่องขุนเขาพังเรื่องรถนั่นแหละเมื่อรถมันเสียก็ต้องหยุดซ่อมมันเสียก่อนอหยุดซ่อมมันเสียก่อน รู้ว่าม้ามันขามันเกก็อย่าดันขี่ไปนะเดี๋ยวมันพาเราไปลงตายทั้งคนทั้งม้าหละเหมือนกันก็รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันปวดมันทนไม่ไหวนะแล้วก็อยู่เ่องมันก่อนดิแล้วก็ขี่มันใหม่เออมันมันมันบางทีมันมันเสียแค่เนี้ยพอขี่ไปได้ก็ขี่ไปเรื่อยเออมันปวดแค่เนี้ยพอทนได้ก็ทนไปเรื่อยเออม้ามันหามันเกยแค่นี้ไม่มากแลอวก็ขี่ไปอีกหน่อย แต่มันไปแล้วมันไม่ไหวจริงก็อ่อค่อยค่อยพักให้มันนะแล้วก็รักษามันนะนั่งท่าเนี้ยนะมันพอทนได้ก็ทนถ้ามากกว่านี้มันไม่ไหวนะมันจะแย่นะอ่าก็หยุดซ่อมให้มันนั่นคือเราแยกออกระหว่างว่ามันไหวหรือไม่ไหวนะแต่ตรงประการสําคัญที่มันเป็นสูตรโต่งที่มันการเป็นสูตรเพราะมันแยกไม่ออกปัญญามันไม่เกิดไงความจริงตัวเองปวดขาอยาตายอยู่แล้วแต่ด้วยความ ที่ที่ไม่รู้ความพอดีของร่างกายเนี่ยตัวมัชฌิมาเนี่ยไม่เกิดเนี่ยมันก็เลยไปข่มขีร่างกายมันก็ขีม่ม้าไปมึงไปไปมึงไปในที่สุดมันก็ตายของมันจริงๆ <c oughs> แล้วก็นักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะว่าไม่รู้ประมาณไม่รู้จากมัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั้นมันชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องของต้องใช้ปัญญาเนี่ย คนที่จะรู้จักประมาณตัวเองได้ถูกต้องนะแค่ไหนเพียงไนะรเนี่ยคนนั้นต้องมีปัญญานะแต่คนส่วนใหญ่มึนขาดคือไม่รู้จักประมาณตนนะ่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมีปัญญาที่จะดับทุกข์ได้แก้ไขได้ท่านบอกว่านับตั้งแต่พระโสดาบันโสดาปฏิมัติขึ้นไปตั้งแต่โสดาปฏิมัติขึ้นไปเขาจะรู้ทำเจ็ดประการฉันใช้คําว่าทำมัญญุตา อัถญยุตตากาลัญยุตตาแล้วก็ปร ะ, ประมาณกาลัญยุตตาปุริสัญยุตตาคือทั้งเจดอ่ะคือหมายความว่าปุริสธรรมเจตประการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลดิรู้จังรู้จัก ท่านใช้คาว่าทำมันยุตารนมันยุตารู้จักเหตุธรรมะกลายเป็นเหตุอัตถันยุตารู้จักผลเห็นไหมสิ่งที่การปฏิบัติธรรมจะได้ผลต้องรู้จักเหตุของธรรมนะที่มันปวดขาไม่สบายนะเหตุมาจากอะไรเหตุทั้งที่ส่วนที่เป็นรูปเหตุทั้งในส่วนที่เป็นนามเหตุในส่วนที่เป็นรูปเราก็รู้ว่าอ๋อที่มันปวดก็เพราะว่ามันเป็นโดยตามกฎของอะไร ของใจลักใช่ไหมใ่ลักนี่เราฝืนมันได้ไห ม, ไ, ม ไ, ดได้บ้าง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้เลยได้บ้าง <c oughs> ได้เท่ า, ากับกำลังของเรา <c oughs> คนไหนมีกำลังได้แต่ว่าพอประมาณนะไฟเนี่ยมันมีคุณก็มีโทษ <c oughs> ใช่ใจลักก็เหมือนกันมีทั้งคุณต้องโทษ ทีนี้มันจะเป็นคุณเสมอตรงที่ตรงตรงที่ไหนรู้จักใช้มันพอประมาณโอ้ไฟนี่มันมีแต่โทษไม่ต้องใช้มันนะยาวเข้ามาในบ้านเนะี่ยท่านกลัวไฟช็อต เ, อเวลาจะข้นเข้ารงแขงอย่าไปติดไฟนะฉันกลัวไฟไหมมันจะได้กินนไ้มเนี่ยมันจะได้ใช้มันเนี่ยไม่ได้รู้จักใช้ตรงนี้เองท่านจริงใช้คาว่ากุศลบำเพ็ญกุศลคือบำเพ็ญความฉลาดคาว่ากุศลนนะ่ แต่เราเข้าใจคําว่ากุศลเน้นนับในในโอวาสามข้อจึงไม่มีปุญญสูปสัสมปทามีแต่ว่ากุศลสูปสัสมปาให้ฝึกฝนความรู้จักธรรมเนะ่ยั่งใช้คำว่ากุสโลบายอุบายให้รู้จักอุบายธรรมให้ศึกษาอุบายธรรมเสมอเพื่ออะไรเพื่อจะมารู้จักความพอดบพอดีของสิ่งที่เป็นทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราไม่มีอุบายธรรมนะ ไอสิ่งที่เป็นคุณบางทีใช้มากไปก็เป็นกามไอสิ่งที่เป็นโทษใช้มากไปมันก็เป็นวิภวะเห็นไหมดังนั้นเองตัวนี้โอ้โหพุทธศาสนานี่ได้ให้ไอเราเรามหาศาลนะยแต่เราใช้ได้แค่นี้นะเราได้อา น, นิสงส์ขนาดเนี้ยแต่ถ้าเรามีสติปัญญามากกว่าเนี้ยมันจะขนาดไหนแล้วสติปัญญาในส่วนที่เป็นโลกุตละเนี่ยเป็นสติปัญญาที่เพิ่มได้นะ แต่สติปัญญาที่เป็นโลกุตละเท่านั้นที่มันเพิ่มไม่ได้พ่อไม่ให้ได้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นการศึกษาให้ไม่ได้มาเท่าไหร่ได้เท่านั้นครูบาอาจารย์ให้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมแต่โลกุตละปัญญาเนี่ยคนโง่คนฉลาดมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะพัฒนาเพราะว่าโลกุตละปัญญาไม่ได้เกิดจากการฟังไม่ได้จากกาคิดแต่เกิดจากการกระทำ อ่าคนไหนก็ทําได้ถูกต้องก็เพิ่มได้มากแม้แต่คนฉลาดที่สุดถ้าก็ทําไม่ถูกน ะ, ะก็กลายเป็นคนโง่เหมือนกันนะนั้นพวกที่เป็นท็อกเตอราตร า, อาจารย์ทั้งหลายของทีมันก็โง่นะเพราะไม่รู้จะกแก้ปัญหาของเแก้ปัญหาคนอื่นได้ทั่วโลกไปหมดแต่แก้ปัญหาของตันเองไม่เป็นเพราะไม่มีอะไรไม่มีโลกุตตรปัญญานี่เพราะฉะนั้นในตัวของ การเกิดทุกข์เนี่ยที่ว่าการมาฐานาภวตฐาหาวิภาวตฐานาะานาเป็นสมูทยัยเป็นสมูทยัยแล้วทีนี้ในคู่ของสมูทัยเนี่ยถ้าจะใช้คำว่านิโรธทีนี้จะทําให้สมูทัยเนี่ยกลายเป็นนิโรธได้อย่างไรเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็ดับแต่ถ้ามันเกิดเองดับเองเน่เรียกว่าในส่วนที่มันเป็นสมมติ ่แต่ในส่วนที่เป็นวลรรมัตต์ต้องทําให้เกิดได้ต้องทําให้ดับได้ถ้าหมายึงว่าอย่างนั้นในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยมันเป็นสมมุติใช่ไหมมันเกิดเองมันก็ดับเองใช่ไมันปวดเดี๋ยวมันก็หายปวดเป็นของมันเองแต่บางทีกลัวมันจะหายเนี่ยนานหน่อยเออ มันจะหายก็นั่นทีนี้เราจะทำไงให้มันหายไวกว่านั้นน่ะนี่ต้องใช้ตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระถือเข้าไปแก้ไขการเกิดการดับได้อย่าให้มันเกิดก็ได้ให้มันดับก็ได้แต่ตัวโลตัวสมุดอะทุกที่เป็นสมุิเนี่ยมันดับมันเกิดมันดับตามเหตุปัจจัยของมันเราไปบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอนัตตา แต่ตัวปรามัตดเนี่ยนะมันเหนืออัตตามันเหนืออนัตตาเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ดังนั้นในการทําอะไรแต่ละอย่างนะพึงเอาตัวสติปัญญาตัวที่เป็นปรามัตดตัวสภาวะตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยที้บางคนปฏิบัติมาตั้งนานแล้วก็ยังใช้จุดนี้ไม่เป็นเนี่ยที่มาวิตกอยู่เนี่ยว่มันจะก้าวหน้าได้ไหมเนี่ย เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมเนี่อันนี้แหละก็วิจกอยู่ตรงนี้เพราะว่าอสิ่งที่เราบอกก็ดีสิ่งที่นำมาเสนอครูบาอาจารย์อื่นที่นมาเสนอก็มันก็ครบถ้วนบนนะเป็นความรู้ที่เพียงพอนะที่จะนำไปใช้นะแต่ทำไมยังใช้ไม่ถูกอีกอะตรงนี้คือยากเพราะได้กล่าวแล้วความแยกคายไม่พอความละเอียดถี่ถ้วนไม่พอ โดยเฉพาะผู้ผู้ใหม่นะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ถามถามด้ืยการถามเพราะนั้นการทำอะไรทุกอย่างในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยทำไงให้แต่ละคนได้ฝึกแต่ไม่ใช่เป็นการบังคับนะเอออย่าพูดเสียงดังนะอย่าทำอะไรดังนะอันนี้อันนี้เราทำเพราะถูกเพราะเก่งใจเพราะการบังคับอันนี้ไม่ใช่ปัญญาของเราเดี๋ยวเผือมันก็ดังอีกใช่ไหม แต่ถ้ามันเกิดจากปัญญาของเราเนี่ย <c oughs> มันจะเห็นเลยว่าโอทําอย่างนี้ดํานะเออทําอย่างนี้ไม่ดํานะเออถ้ามันไม่ดําเนี่ยอันนี้ส่งมันออกมาอย่างนะี้เออถ้ามันดํานะอันนี้ส่งมันออกมาอย่างนี้นะมันจะเข้าไปอินไซส์ไงอินไซส์ในสิ่งที่เราเราเรากระทานะแต่สําหรับผู้ใหม่ก็ต้องต้องเห็นใจเพราะว่าอย่างการฝึกฝนยังไม่พอ วันนั้นโยมคนหนึ่งไห้แกแกมาหมายเที่ับไปแกมนจัดอาสนะจัดหนังสือแกก็โยนคื อ, อปัองปังปังป